จเจริญพรทั้งท่านผู้บริหารที่นี้กับญาติยโยมทุกๆท่านมากันเยอะนะรถติดด้วยอุตส่ามานะใครเคยฟังหลวงพ่อเทศหรือเคยฟังซีดีมีไหมโอ้เกือบทั้งหมดนะเอาใหม่ใครไม่เคยฟังเลยมีไหมมีไม่ถึงย0สิอร์ซ ก่อนหลวพ่อจะพูดธรรมะให้ฟังเรามาตกลงกันก่อนนะระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะ์นะขอว่าอย่าถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายพอสมควรตอนนี้จะถ่ายก็ถ่ายนะถ่ายคือธรรมะเป็นของประณีตถ้าใจวอกแวกวอกแวกเรารับธรรมะไม่ได้ธ ร, รรมะรับกันด้วยใจจริงๆ ให้เวลาสิบวินาทีเขาถ่ายก็ถ่ายนะถ้ามีมือถือก็ปิดเสียงซะมันกะวนกวนคนอื่นบาปอย่างเราวอกแวกวกแวกเราถ่ายรูปถ่ายอะไรคนอื่นเขาเสียสมาธิเราก็บาปด้วยนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเข้มงวดนะพอสบครแล้วนะนะ เ, กนะเก็บนะเก็บซะ ต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะอยู่ในความทรงจําของเราก็แล้วกันไม่ต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาช่วยหรอกมันเป็นเวลาที่สําคัญนะเวลาที่ได้ฟังธรรมยิ่งถ้าเราฟังธรรมแล้วเราเอาไปลงมือประพฤติปฏิบัติเราเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองถ้าเราเปลี่ยนแปลงในตัวเองเราจะรู้เลยว่าอะไรอรก็ไม่สําคัญเหมือนธรรมะ เวลาที่เราได้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบก็ไปหาครูบาอาจารย์พ่อพาไ ป, ไปสอนท่านสอนให้ทำสมาธิตอนนั้นยังเด็กไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่านั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆไม่เลิกนั่งสมาธิอยู่22ปีจเจริญตัญญาไม่เป็น ไ, ได้แต่นั่งสมาธิอย่างเดียวจนมาอายุย9สบ้าแล้ว ได้เจอหลวงปู่ดุลนั่นเป็นครูบาอาจารย์ที่ถูกใจสอนถูกกัะจริตนิสัยในความเป็นจริงแล้วหลวงปู่ดุลน์สอนใครก็ถูกจริตหมดอ่ะเพราะหลวงปู่ดุลน์สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยท่านจะสอนธรรมะตามจริตนิสัยอย่างหลวงพ่อเ น, นี่ยเป็นคนเมืองคนเมืองเป็นคนที่ทํางานด้วยการคิดเอ า, อางั้นวันวันห น, นึ่งยเราคิดทั้งวัน หลวงปู่ดูลท่านก็พิจรารณาอย่างเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านไม่ได้สอนนะท่านหลับตาเงียบไปเลยเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบเพรียบโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนบอกการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ท่านสอนเข้าเป้าเลยท่านพิจรารณาแล้วว่าจริตนิสัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกนักคิดทํางานใช้ความคิด งันกรรมฐานที่เหมาะกับพวกจิตมากก็คือการดูจิตใจตนเองส่วนกรรมฐานที่เหมาะกับพวกโลภมากนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยคือการพิจารณากายการดูกายนะกายานุปัสสนาเ น, นี่ยเหมาะกับพวกที่เรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะพวกนี้จะดูกายจิตใจมันรักความสุขความสบายก็ไปหัดนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิไม่นานก็จิตสงบง่าย เพราะว่าไม่คิดมากต้องการแต่ความสุขความสงบนนะก็นั่งไปได้ทุกวันทุกวันจิตมีความสุขมีความสงบแล้วจะมาดูจิตดูใจไม่ได้เพราะจิตจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูท่านก็สอนให้ไปดูกายค่อยๆดูกายไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะจากหัวถึงเท้าเถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยเป็นอุบายไม่ให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยเป็นอุบายเท่านะั้นังไม่ใช่วิปัสสนา บางทีพิจารณามาเข้ามากเข้าจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาร่างกายสลายไปเห็นร่างกายแตกแล้วบางคนก็ระเบิดบางคนมีฟ้าผ่ามี sound effect บางคนนีจิตรวมไปร่างกายหายไปเฉยเฉยาเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่พอเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วพอออกจากสมาธิจิตมันถอนขึ้นมานะร่างกายปรากฏขึ้นก็จะเกิดสติเกิดปัญญาไปรู้ทันว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกัน แพะนการที่ไปฝึกทําสมาธิขึ้นมานะถ้าอย่างต่ําๆนะเราออกมาพิจารณาร่างกายอะไรนี่เป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตนิ่งติดเฉยถ้าทําสมาธิแล้วก็ถอยออกมาเหตุร่างกายปรากฏขึ้นรู้ว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันอันนี้เก่งกว่านะอย่างนี้เก่งกว่าเพราะถ้าแยกกายแยกใจได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ต้องแยกขัดได้ถ้าแยกกายแยกใจไม่ออกก็ต้องแยก เวทนากับจิตใจแยกสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตใจออกจากกันต้องแยกขันให้ได้ถ้าแยกขันไม่ได้ออกนะแยกธาตุแยกขันไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงครอาจารมหาบัวพูดเลยนะเรื่องเนี้ยบอกว่าถ้าพี่นายแยกธาตุแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญงั้นบางคนนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะนั่งสมาธิไปจิตใจมีความสุขแล้วชอบนั่งพนั่งแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้น ออกจากสมาธิมาก็มาดูกายแค่เห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอนกันนี่เป็นเส้นทางหนึ่งนะซึ่งคนในเมืองอย่างพวกเราเนี่ยทำยากมากเราไม่มีเวลาที่จะสุขจะสบายนะถึงจะรักสวยรักงามแค่ไหนนะตกเย็นตกค่าหน้าตาก็สุดโสมเต็มประดาและนะ้วดูไม่ไหวก่อนจะออกจากที่ทำงานอุตส่าห์เติมแป้งเติมอะไร น, นะแต่แววตาก็ร่วงโรยโสมแค่เป น, นั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับแล้ว แเราไม่มีปัญญาที่จะทำหรอกพวกที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดมากมายในแต่ละวันพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมราชาเราก็เป็นภควัตโตผู้จำแนกแจกธรรมท่านมีธรรมะมากท่านเลยจำแนกจกธรรมเอาไว้มากมายพวกไหนมีเวลามากอย่างพวกพระนะมีเวลาเยอะก็นั่งสมาธิกันพิจารณากายอะไรก็ทำไปแต่ครวัตอย่างพวกเรานี่คนรุ่นเราเนี่ยมันทไม่ไหว ท่านก็สอนกรรมฐานอย่างอื่นให้ก็คือการีให้เราเจริญปัญญารวดไปเลยแล้วสมาธิจะเกิดทีหลังการปฏิบัตินั้นมันมีสามแนวทางหลักแนวทางที่หนึ่งใช้สมาธินําปัญญาอันนี้เหมาะกับพวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามทาสมาธิออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญามาดูยแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตแล้วเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะ ทั้งตัวถูกรู้ร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้ไปก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ก็ไปได้อีกวิธีหนึ่งก็คือจเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังอันนี้เหมาะกับพวกคิดมากนะพวกคิดมากอย่างพวกเราให้ไปนั่งสมาธิจิตไม่ลงหรอกฟุ้งซ่านจะตายไปในเมื่อเรามีความฟุ้งซ่านเป็นอาพร น, นะเราจะตั้งใจให้มันสงบก่อนเนะี้ยชาตินี้คงไม่ได้จเจริญปัญญาหรอกเราอาศัย กรรมฐานอีกชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้สําหรับพวกคิดมากก็คือจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยคือการรู้จิตอย่างที่มันเป็นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูรู้ว่าหดหูจิตหลงไปรู้สึก ก็รู้ว่าจิตหลงไปมัไม่รู้สึกตัวก็รู้ว่าจิตหลงไปจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ว่าจิตรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยหากดูจิตดูใจนะไม่ได้ดูอะไรเยอะเลยดูแค่นี้ก็พอละสุดท้ายก็จะเห็นเลยว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจิตสุขจิตสุขจิตทุกจิตที่จิตชั่วนะเกิดแล้วดับหมดเลยมีแต่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยเห็นมากเข้ามากเข้านะปัญญามันก็เกิดขึ้นมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราอยู่แล้วก็ดับไปนะกุศลนะกุศลเท่าไหร่เกิดขึ้นในใจเราแล้วก็ดับไปนี่หัดดูอย่างนี้นะดูไปดูไปนะจิตจะรวมสมาธิเกิดทีหลังนะเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยบางคนไม่เคยเข้าฌานเลยนะหัดดูจิตดูใจเห็นจิตเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปด้อยถึงวันที่มันพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเข้าฌานนะ ตึงชานเลยเข้าของมันเองเลยทั้งๆที่ไม่เคยเข้าฌานะอย่างนี้ก็จะเรียกว่าพวกใช้ปัญญานําสมาธิอีกพวกหนึ่งเป็นพวกใช้สมาธิและปัญญาควบกันเลยทําไปพร้อมกันนั่นมันมีสามเส้นทางนะเส้นทางที่หนึ่งใช้สมาธินําปัญญาเส้นทางที่สองใช้ปัญญานําสมาธิใช้สมาธินําปัญญาทาสมาธิออกมาดูกาย ใช้สมาธินะใช้ปัญญานําสมาธิก็คือดูจิตนะดูจิตไปแล้วสมาธิเกิดทีหลังส่วนอีกอย่างหนึ่งนะที่จะเจริญปัญญาด้วยทําสมาธิไปพร้อมๆกันอันนี้ต้องเป็นคนซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมสองด้านด้านที่หนึ่งชำนิชํนชนานาญในการทําสมาธิหน้าตาพวกเราไม่ค่อยชำนานเรื่องสมาธินะชำนาญฟุ้งซ่านมากกว่านะงั้นก็ประเด็นนี้ตัดออกไปเลยเราขาด ง น, นคนที่จะเจริญปัญญาและสมาธิควบกันได้นะข้อที่หนึ่งต้องชำนาญในสมาธิมากเนยะเข้าฌานออกฌานนี่ชำนี้ชำนาญนะประการที่สองต้องเก่งในเรื่องการดูจิตเก่งในทางดูกายไปเข้าสมาธิแล้ว ไ, ไปดูอะไรไม่มีอะไรให้ดูเวลาที่เขาเจริญปัญญาในฌานเขาดูความเกิดดับขององฌานเช่นเห็นว่าวิตกเกิดขึ้นมีตกดับไปวิจารเกิดวิจารดับ ปีติเกิดปีติดับนะความสุขเกิดความสุขดับอุเบกขาเกิดอุเบกขาก็ดับเนี่ยจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะจิตมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในฌานไมไ่เห็นเลยองค์ธรรมทั้งหลายในฌานไม่คงที่จิตก็ไม่คงที่นะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจิตบางดวงก็เป็นอุเบกขาบางดวงก็เป็นสุขบางดวงก็มีที่ปีติมากครอบงาอยู่บางตัวก็ไปตรึกไปตรองในแสงสว่างนะ เพรานถ้าจะใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะต้องเก่งทั้งสมาธิและเก่งการดูจิตให้เก่งดูกายจะใช้สมาธิปัญญาควบกันไม่ได้ต้องทําสมาธิไปก่อนแล้วออกมาดูกายทีหลังถ้าไม่มีสมาธิสมาธิไม่ดีนะกม็มาฐานที่เหมาะกับพวกสมาธิไม่ดีก็คือการดูจิตจิตตานุปัสสนะงั้นพวกเรานะหน้าตาอย่างพวกเราทําสมาธิไม่ค่อยเก่งนะเราหัดดูจิตดูใจของตัวเองไว้ การดูจิต ด, ดูใจไม่ใช่ว่าจะทําสมาธิไม่เป็นนะสุดท้ายจะทําสมาธิง่ายถ้าดูจิต ด, ดูใจเป็นเนี่ยเราจะได้ครบหมดเลยศีล ส, สมาธิปัญญาจะได้ครบหมดเลยถ้ายิ่งชำนานนะดูจิตใจชํานาญศีลก็เกิดขึ้นอย่าแต่เดิมนี่เรารักษาศีลยากขอศีล น, นะพระมาถึงเราก็ไปขอศีลวิสุขวิสุ ง, สงลักธรัตถายะสวดกันเย่งเย่งเลยนะเดี๋ยพระให้ศีลเสร็จ พอพระให้สินเสร็จพระเริ่มเทศเราก็เทศแข่งกับพระเนี่ยสินดังฟลอยไปลนะนะใจมันอยากคุยอยากพูดอยากคุยวกแกวกวกแวกนะพูดในตอนเวลาที่ไม่สมควรพูดเรื่พูดเฟอร์เจอร์สีนดังฟลอยต์ละนะรักษาศีนเนี่ยจะมารักษาที่มือที่เท้าที่ปากนะรักษายากอย่างปากมันจะว่าคนใช่ไมันไหวว่าบไปแล้วว่าไปแล้ว รักษาที่มือที่เท้านะอยากจะตกเต็มทีแล้วฝืนใจฝืนใจนะฝืนอยู่ก็อยู่นะเผลอแป๊บเดียวตกไปแล้วเนี่ยนะงั้นการรักษาศีลนะถ้ารักษาที่ร่างกายนะที่มือที่เท้าที่ปากเนะี่ยรักษายากแต่ถ้ารักษาที่จิตเนะี่ยแสนจะง่ายเลยนะรักษาจิตได้ดวงเดียวนะศีลจะเกิดอัตโนมัติเลยงั้นการหัดดูจิตดูใจนะเราจะได้ตั้งแต่ศีลเป็นต้นไป นะเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดที่จิตใจเราเรารู้ทันเรื่อยๆคนทําผิดศีลได้ก็เพราะว่ากิเลสครอบงําจิตถ้ากิเลสไม่ครอบงาจิตคนจะไม่ทําผิดศีลอย่างราคาครอบงําจิตก็ไปขโมยเขาไปเป็นชู้เขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาผิดศีลได้โทสะครอบงําจิตก็ไปทําร้ายเขาก็ได้ไปทําลายทรัพย์สินเขาก็ได้นะไปเป็นชู้กับเมียเขาก็ได้เกลียดเข า, กเกเขาแกล้งเขานี่ย ทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยเพราะนั้นเวลาคนเราทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะกิเลสมันครอบงำจิตแต่ถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันใจของเรารู้ทันจิตใจของเราความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันความโกรธจะครอบงำใจเราไม่ได้ถ้าความโกรธครอบงำใจเราไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโกรธ ความโลภความรักทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันตอนนี้มันโลภขึ้นมาแล้วมันรักเข้ามาแล้วรู้ทันมันเข้าไปความรักจะครอบงําใจไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลเพราะความรักนะเพราะความโลภเนี่ยให้คอยรู้ทันจิตของตนเองไว้เพราะฉะั้นการหัดรู้ทันจิตรู้ทันใจนะจะช่วยให้เรารักษาศีลง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะเรามีสติรักษาจิตเมื่อจิตไม่ทําผิดศีลเนี่นกายวาจาจะไม่ทําผิดศีล ที่กาวาจาทำผิดศีลได้เพราะจิตมันผิดไปก่อนนะงั้นเรามาหัดมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทั น, ทนกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆแล้วศีลเราจะดีขึ้นคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะจะมาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆส่งคันบ้านอะไรเงี้ยมารายงานการปฏิบัติว่าการถือศีลเนี่ยดีขึ้นทำง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ยากอะไรนะราไม่ใช่เรื่องอัศ จ, จรรย์ พถ้ามีสติรักษาจิตได้ศีลมันก็เกิดลับงั้นเราไปหัดดูจิตดูใจตัวเองนะถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันศีลจะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัติต่อไปเราก็มาหัดดูจิตดูใจให้เกิดสมาธิบ้างสมาธิมีสองชนิดตัวนี้สําคัญมากเลยชาวพุทธเรารวยถ้วยมากเลยนะเราคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาชอบคิดอย่างนี้นะ สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเป็นสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิที่สงบเฉยเฉยไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำนะนอกศาสนาพุทธเขาก็มีมันคือสมาธิที่สงบเฉยเฉยส่วนสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าเราไปเปิดพระจาานุกรมดูเราจะพบว่าคาแปลของสมาธิเนี่ยไม่ได้แปลว่าสงบเรามักง่ายเอาเองือคิดว่าสมาธิคือความสงบ แท้จริงคําว่าสมาธิถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเปิดตํำรับตําราดูนะจะรู้ว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิมีสองชนิดนะในทางปริยัติเขเรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตที่ไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์มันเดียวการักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายแสดงไใจลักคําว่าจิตกับคําว่าอารมณ์พวกเราต้องรู้จักก่อนนะเวลาที่เราจะหัดภาวนาเนี่ย คำ ว, ว่าจิตเนี่ยแปลว่าผู้รู้คนที่ไปรู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าอะไรอารมณ์ไม่ใช่อิมูชันนะอารมณ์แปลว่าออบเจ็กชิอารมณ์แปล ว, ว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์ซนะับเจ็กชิพมีจิตก็ต้องมีอารมณ์เป็นของคู่กันสมาธิก็เลยมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์ไว้เช่นเราหัดพุทโธพุทโธจิตเราอยู่ที่พุทโธไม่หนีไปไหนเลยนี่สมาธิเพ่งอารมณ์ เรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะจนกระทั่งลมหายใจตื้นๆกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาเนี่ก็เป็นจิตที่เพ่งอารมณ์นะสมาธิชนิดนี้เรียกว่าอารามณูปนิชฌานดูท้องพองยุบนะั้นนึกว่าทำมิปัสสนาจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องนี่คือสมถะนะเป็นการทําสมาธิชนิดที่ให้จิตสงบอยู่ในรมเดียวเป็นอารามณูปนิชฌานเดินจงกรมนึกว่าทำมิปัสสนาจิตไหลลงไปอยู่ที่เท้า เพ่งอยู่ที่เท้าหรือเพ่งร่างกายทางร่างกายเพ่งร่างกายทางร่างกายเช่อนอย่างนี้เนี่ยจะขยับตัวแล้วเนี่ยเคยจ้องไหมขยับนะจ้อ ง, องนี่คือเพ่งใส่ร่างกายนะสิ่งใดถูกรู้ร่างกายเป็นของถูกรู้เพราะงั้นตัวนี้คืออารัมมณูปนิชานสมาธิชนิดนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนออกจากวังเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังสิ่งแรกที่ท่านคิด เวลาท่านจะปฏิบัติธรรมเนี่ยออกจากวังมาจะไปปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่คิดก็คือไปหัดนั่งสมาธิก็เหมือนที่พวกเราคิดนะ่ะคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่คิดก็คือจะต้องไปนั่งสมาธิก่อนเจ้าชายสิทธาถาก็คิดอย่างนั้นท่านไปหัดนั่งสมาธิกะลือศีเพ่งเข้าไปในความว่างนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยสมาธิที่เพ่งอารมณ์ เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาความว่างเป็นอารมณ์เอาความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์นะจนกระทั่งจิตนี่อ่อนกำลังแทบจะไม่จับอารมณ์เลยเป็นเนวสัญญาณนะสัญญาญตนะแล้วพอออกจากสมาธิท่านก็พบว่าจิตที่สงบตอนที่เข้าสมาธิพอออกจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมกิเลสกลับมาเหมือนเดิมท่านเลยสรุปเลยว่านี่ไม่ใช่ทางเพื่อความปนตุกแล้วพวกเราส่วนใหญ่ที่ไปนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิแบบนี้แหละ เรื่องเดียไปเพล่งลมหายใจในะเพ่งอะไรสักอย่างนะเพ่งไปด้วยจิตก็นิ่งอยู่ในรมันเดียวสงบอยู่เท่าที่ยังเพ่งอยู่เลิกเพ่งเมื่อไหร่ร้ายเหมือนเดิมหรือร้ายกว่าเก่าบางคนติดสมาธิเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมานี่จะร้ายมากเลยนะแบบร้ายโคตรๆแบบนี้นคือใจเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าความเป็นจริงมากเลยนั้นะสมาธิเราต้องต้องศึกษาให้ดีนะมันมีสองชนิดถ้าไปเพ่งอารมณ์อันเดียวแล้วก็ สิ่งที่ได้คือได้ความสุขได้ความสงบได้ความสบายและส่วนใหญ่เมื่อมันมีความสุขมีความสงบมีความสบายมันจะติดมันติดความสุขความสงบความสบายพอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่สุขไม่สงบไม่สบายนะโมโหร้ายเลยงนพวกที่ติดเพ่งนะอารมณ์ร้ายกว่าคนปกตินะสังเกตดูให้ดีพวกเข้าวัดมากๆนะร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะร้ายมากๆเลยจนคนเราแปลกใจเข้าวัดภาษาอะไรร้ายชะมัดเลย ก็ถัดเรียนจากหลวงพ่อก็จะรู้ว่าเข้าวัดแล้วไปนั่งเพ่งเอาก็ร้ายแล้วแหละถึงไม่เข้าวัดอยู่ที่บ้านไปนั่งเพ่งเอานะก็ร้ายเหมือนกันสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่สําคัญที่สุดเป็นสมาธิที่เรียกว่ารักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดนี้ใช้ไปทำมิปัสสนากรรมฐานและเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยผลใช่ไหมเป็นสมาธิชั้นสูงนะ ตั้งแต่วิปัสสนาเกิดมากเกิดผลแล้วเวลาเป็นพระอริยบุคคลแล้วเวลาจะเข้าสมาธิท่านเข้าสมาธิชนิดนี้นะเรียกว่าพละสมาบัติสมาธิที่ไปเพ่งอารมณ์นะเข้าชาน้นหนึ่งถึงแปดได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นลัคนูปนิชานก็เป็นชาน้นหนึ่งถึงแได้เหมือนกันแต่มันอยู่กับคนละที่นะอันหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอันหนึ่งจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ไม่เหมือนกัน ถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาเราต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะวิธีฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนะี่ยไม่ยากอะไรถ้าเราดูจิตเป็นนะหมูมากเลยถ้าดูจิตไม่เป็นก็ยากหน่อยงั้นกรรมฐานที่จะทำให้เราได้จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยคือกรรมฐานที่รู้ทันจิตนั่นเองนะถ้าไปดูอารมณ์ลมหายใจแล้วก็เคลิมอยู่กับอารมณ์ จิตไม่ตั้งมัน่นเจริญปัญญาไม่ได้เอาไว้นอนเล่นอย่างเดียวไว้พักผ่อนอย่างเดียวแต่ถ้าจะเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมัน่นนะทำกรรมาฐานชื่ออย่างหนึ่งจะหายใจก็ได้จะพุโทโธก็ได้แล้วรู้ทันจิตเช่นหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันไปเพ่งลมพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะพุโทโธพุโทโธไปเพ่งจิตให้นิ่งลงมารู้ทัน ดูท้องฟองยกนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันขยับมืออย่างสายหลวงพาอเจียนก็ได้ขยับมือแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งใส่มือก็รู้ทันนให้รู้ทันอย่างนี้รู้ทันจิตการที่รู้ทันจิตเนี่ยจะทำให้เราได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นพวกเราเคยได้ยินคำว่าไตรสิกขาไหมเป็นชาวพุทธก็ควรจะได้ยินคว่าไตรสิกขาบทเรียนสามบทของพระพุทธเจ้า บทเรียนที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลทําไงรักษาศีลได้ดีรักษาศีลได้ดีถ้ามีสติรู้ทันใจของเรานะบทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขานะเรียนเรื่องจิตเพราะงั้นใครจะบอกว่าไม่ชอบดูจิตไม่ชอบดูจิตก็คือปฏิเสธบทเรียนที่พระเจ้าสอนให้ดูจิตนั่นแหละต้องเรียนเรื่องจิตถึงจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น ถ้าไม่สนใจจิตนะสนใจแต่ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวเพลิอนอยู่ที่ลมไม่ใช่จิตต่สิกขานั่นเป็นความสงบเฉยแต่ไม่สามารถต่อยอดไปสู่ปัญญาสิกขาได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิต เ, เป็นของสําคัญมากนะจะพุโทโธก็พุโทโธรู้ทันจิตจะหายใจก็หายใจแล้วรู้ทันจิตจะดูท้องพองยุบนะก็ดูท้องพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตไป จะขยับไม้ขยับมือจะเดินจงกลมจะทำอะไรรู้ทันจิตไปจิตจะแอบไปทำสองอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นความสุดตรงสองด้านด้านที่หนึ่งจิตจะหลงไปคิดอันนี้จิตใจย่อหย่อนในการปฏิบัตินะใช้ไม่ได้อ่อนแอเกินไปด้านที่สองจิตจะไหลไปเพ่งอันแรกเคลื่อนไปคิดอันที่สองเคลื่อนไปเพ่ง เคลื่อนเหมือนกันแต่เคลื่อนไปคิดเนี่ยย่อหย่อนไปเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยตึงเครียดเกินไปใจจะแน่นขึ้นมาเลยนะตึงไปก็ใช้ไม่ได้หย่อนไปก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ทางสายกลางเห็นไหมเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ชํานาญนะเราถึงจะได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในทางสายกลางที่แท้จริงถึงจะไปเจริญปัญญาได้เพราะั้นเราต่อไปนี้เราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้น ทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันจิตไหลทั้งคู่นะไหลไปคิดก็ได้ไหลไปเพ่งก็ได้หลวงปู่ดูลเรียกจิตที่ไหลไปว่าจิตส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกหลวงปู่เทศท่านเรียกตัวจิตที่เคลื่อนไปนี่ว่าจิต ถ้าจิตที่เป็นตัวรู้อยู่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจนะสำนวนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันท่านบอกว่าจิตอันใดก็ใจอันนั้นแหะแต่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้ารู้ทันนั้นก็กลับเข้ามาเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะต้องฝึกตัวเองนะจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ชาตินี้ยังไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลหรอก ให้ภาวนาหัวปักหัวปั๊มนั่งสมาธิวันละยี่สิบชั่วโมงก็ทําไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูจิตของเราจะหลงไปอยู่ในโลกของการคิดหรือไม่ก็หลงไปเพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่เพ่งของหยาบหยาบเช่นเพ่งร่างกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจไปจนถึงเพ่งที่ละเอียดเข้าไหเช่นเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรเลยพวกนี้เข้าอรูปไปเลย นะเนี่ยจิตจะไหลไปในีสองข้างนะไม่ไม่เผลอไปคิดก็เผลอไปเพ่งมี2 อ, อย่างเท่านั้นเองเราต้องมาค่อยๆปลุกตัวเองนะวิธีที่จะทำให้จิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยให้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้สงบจะทำไปเพียงเพื่อจะรู้ทันจิตให้จิตมีบ้านอยู่เช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วพอจิตหนีออกไปคิดให้รู้ทัน ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติแต่ตรงที่จิตเคลื่อนไปเพ่งนะถึงรู้ว่าจิตไปเพ่งนะก็ไม่เลิกนะเพราะตรงที่จิตไปเพ่งอารมณ์นะเป็นการทำงานฝ่ายบวกนะตรงที่หลงเตลดเิดเปิดเปิงไปคิดนอนคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเป็นการทำงานทางลบคือเป็นอกุศลทันทีที่สติรู้ทันอกุศลนะอกุศลจะดับทันทีแต่ตรงที่เราไปเพ่งจิตให้นิ่งเป็นการฝึกดีไม่ใช่ฝึกชั่ว แต่ฝึกดีก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ไปนิพพานหรอกคนละเรื่องกันนะถ้าฝึกชั่วปล่อยใจเตลิดเปิดเปิงไปใจก็จะไปอาบายไปที่ไม่ดนะีทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางไปนิพพานนะงั้นแต่ตรงที่ว่าไปเพ่งไว้นะก็ดีว่าเผลอไปเพ่งไว้อย่างน้อยก็ไปสุขตินะถ้าเผลอไปก็ไปทุขติครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาองค์หนึง่งมาทูลถามพระพุทธเจ้า บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอค่าว่าพ่วงน้ําห่วงกิเลสนะ่ยก็จะแปลว่าพระองค์ผู้เจริญเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรนะเทวดาเนี่ยท่านคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเลยมาชวนพระพุทธเจ้าคุยนะคล้ายๆมาแลกเปลี่ยนกันนะแน่เหมือนกันมาถามว่าท่านเป็นพระอรหันต์ได้ไงเดี๋ยวจะได้คุยวดของตัวเองพระพุทธเจ้านะท่านชกเปรี้ยงเลยท่านบอกว่านี่เทวดา ท่านเทวดาเราตะถาโขดเนี่ยนะข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่เทวดาจะยินได้งงไปเลยพระอาหารหันงงเลยเนี่ยพรุทธเจ้าบอกไม่พักเนี่ยเข้าใจนะไม่ขี้เกียจขีคร้านแต่ไม่เพียรนะทำไมไม่เพียรแล้วเป็นพระอาหารหันไะด้เทวดางงนะก็ลดพิธิมานะลงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญช่วยขยายความหน่อยไม่เข้าใจ พวะเจ้าเจ้ท่านขยายความให้บอกดูกรเทวดาถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยเหตุนี่เทวดาได้พระโสดาเลยพวกเราฟังเหมือนที่เทวดาฟังแล้วยังไม่ได้ต้องขยายอีกหน่อยเผื่อจะได้นะก็ขยายอีกอีกชั้นหนึ่งคำว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะจมอยู่กับโลกเพลิดเพลิอนอยู่กับโลก หนะลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งวันนะหลงโลกไปนไั่นแหละจะจมลงคือชีวิตจิตใจนะี่จะตกต่ําลงไปอับายตรงคำว่าเพียนอยู่ก็คือการภาคเพียนปฏิบัตินี่แหละนะควบคุมบังคับกายบังคับใจจะให้มันดีจิตใจจะมีกิเลสก็พยายามไม่ให้มันมีกิเลสจิตใจจะฟุ้งซ่านก็จะเพ่งให้มันสงบนะพวกนักเท่งทั้งหลายนะถ้าบอกจะลอยขึ้นคือไปสุขติไม่ไปนิพพานนะ ไปสุขติไปพรมมาโปกไปเทวโลกอะไรนั่นไปเนี่ยท่านไม่ไม่เข้าไปสุดตรงสองข้างนี้งั้นพวกเราก็ต้องเดินในทางสายกลางไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ไม่ฟุ้งซ่านไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไวนะ้ให้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละถ้าจะพูดถึงว่าลัคนูปนิชานเนื้อชาตที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นยังไงพูดภาษาไทยง่ายๆนะมันก็คือสภาวะที่เราไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละ รู้จักคับว่าไม่ลืมเนื้อลืม dreams, ตัวไหมแล้ววันหนึ่งลืมเนื้อลืม <c oughs> ตัวไหมลืมทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับนั่นแหละจิตที่ไม่มีความตั้งมั่นะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะลืมเนื้อลืมตัวนะถ้าจิตรู้สึกตัวอยู่เนี่ยก็เรียกมันตั้งมั่นอยู่ไม่ลืมตัวเองมีร่างกายก็รู้สึกถึงร่างกายมีจิตใจก็รู้สึกถึงจิตใจได้ถ้าเมื่อไหร่มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะ ไอ้นั้นไม่ได้เรื่องนะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการเพ่งเอาไว้เพ่งตลอดเวลารู้เนื้อรู้ตัวตลอดอย่างนี้ตึงเกินไปใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นเรามาฝึกนะฝึกทุกวันต้องฝึกซ้อมแบ่งเวลาไว้10นาที15นาทีอะไรก็ได้แล้วจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะ แต่ถ้าไหลไปคิดเนี่ยดีมากเลยทันทีที่รู้ว่าไหลไปคิดเนี่ยจิจะตื่นเลยตั้งมั่นทันทีเลยแต่ตรงไหลไปเพ่งเนี่ยวิธีที่ง่ายคือเลิกไปก่อนงั้นบางคนไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนบางคนสมัยก่อนนะเมื่อสักสิปีก่อนคนติดเพ่งเยอะนะคนรู้สึกตัวในโลกนี้แทบไม่มีเลยคนที่รู้สึกตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาล น, นับตัวได้เลยส่วนใหญ่ที่ทําสมาธิทําสมาธิเพง่งเท่านั้นเลยงั้นไปหาหลวงพ่อนะต้องแก้พวกติดสมาธิ หลวงพ่อบอกหยุดไปก่อนหยุดการทําสมาธิไปก่อนถ้าไม่ให้หยุดก็ทําสมาธิผิดประเภทขยันทํายิ่งผิดมากกว่าเกา่าต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาให้ได้นี่บางคนเลยไม่เข้าใจคิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมาธิจริงหลวงพ่อทําสมาธินะทํามาแต่เด็กแล้วเลยรู้ว่าสมาธิมีสองชนิดเราต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดถ้าทําได้อย่างเดียวต้องให้ได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นส่วนสงบหรือไม่สงบชั่งมันเดี๋ยววันหลังก็สงบเองนะ แั้นเราคอยรู้ทันจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะแต่ถ้าไปเพ่งซื้อบื้ออยู่นะหยุดไปก่อนลืมการปฏิบัติไปชั่วคราวนะตั้งต้นใหม่รู้สึกใหม่หลงเอาใหม่เลยเราก็หลงไปแล้วรู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วนะมันจะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาพอจิตเราได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่สามนะชื่อว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยคือการเรียนรู้ให้เห็นความจริงของกายของใจ หรือจะพูดว่าให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามของธาตุของขันธ์ที่ประกอบกันเป็นตัวเราก็ได้คำว่าปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงนะปัญญาสิกขาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของตัวเองเราจะดูกายตามความเป็นจริงเราถึงจะเห็นว่าจริงๆกายเป็นยังไงนะการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ไปบังคับกายไม่ได้ไปบังคับใจไม่ได้ดัดแปลงกายไม่ได้ดัดแปลงใจ ถ้าบังคับกายบังคับใจดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะอันนี้ตึงเกินไปแล้วไม่เดินปัญญาเราต้องดูว่าจริงๆอะกายมันเป็นยังไงจริงๆ จ, ง จ, งจิตใจมันเป็นยังไงนี่แหละถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ing, จริงๆร่างกายของเราเป็นยังไงจริงๆร่างกายของเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อถ้าใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใช่ไหมท่านถึงต้องมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนนะถึงจะเจริญปัญญาได้ เมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าจะดูกายนะก็จะเห็นเลยร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอันกันถ้ากายกับใจไปรวมเป็นก้อนเดียวกันนะไม่เกิดปัญญาหรอกจะเห็นใจรักอะไรนี่เห็นไม่ชัดหรอกเพราะฉะนั้นะนะถ้าใจเราเป็นคนดูสูงว่าร่างกายเราเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูอยู่มันจะรู้สึกเลยว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าอย่างพวกเราตอนนี้หลายคนพยักหน้า แม้ร่างกายมันพยักหน้าร่างกายที่พยักหน้าหลองพยักหน้าสิร่างกายที่พยักหน้ามันเป็นของที่ใจเราไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆฝึกนะมันจะแยกกายกับใจออกจากกันได้ฉันมหาบัวถึงสอนเนี่ยว่าถ้าแยกแยกกายแยกใจไม่เป็นนะแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาหรอกเพราะฉะนั้นต้องมาหัดแยกใจของเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันยิ้ม ทุกคนยิ้มแล้วเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายตัวเองนะไม่ไปดูคนอื่นยิ้มเอายิ้มซิยิ้มยิ้มหวานหวานึกซีว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไหมบางคนเกินยิ้มบางคนหัวเราะแล้วเห็นร่างกายหัวเราะไหมเ้ยง่ายแค่นี้เองนะค่อยๆรู้สึกเลยร่างกายมันหัวเราะร่างกายมันยิ้มร่างกายมันพยักหน้าร่างกายมันเการ่างกายมันขยับไปขยับมาใจเราเป็นคนดูอยู่ฝึกให้มากๆนะกายกับใจจะแยกกัน ถ้ากายกับใจแยกกันเป็นพระโสดาหรื อ, อย่างจังนะแต่ว่าถ้าทําได้แค่นี้นะก็วิเศษนักหนาแล้วเวลาจะเจ็บหนักนะเวลาจะตายจะเห็นร่างกายมันจะตายนะใจเราอยู่ต่างหากนะไม่กลุ่มใจไม่กังวลใจขับรถไปเกิดรถว่ารถหงายนะเห็นร่างกายมันหมุนนะร่างกายมันพลิกไปพลิกมาใจมันเป็นแค่คนดูอยู่นะไม่ตกใจเลยนะมีสติมีปัญญานะหัวก็ลองจะโขกพื้นแล้วหลบสันหน่อยอย่างเงี้ยจะเจ็บมากก็เลยเจ็บน้อยนะ ค่อยๆฝึกไปนะได้ไประโยชน์มหาศาลเลยัตแยกกายแยกใจไปแล้วถ้าคนไหนแยกกายแยกใจไม่ถนัดไม่สะดวกหัดแยกความรู้สึกกับจิตใจเรียกความรู้สึกเท่าไหร่คือตัวเจตสิกนะไม่ใช่จิตความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนที่ไปรู้ว่ามีสุขมีทุกข์กุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าว่าอ๋อตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นตอนนี้ความโกรธหายไปเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เรามาแยกกายกับจิตไม่เป็นนะเรามาหัดแยกความรู้สึกกับจิตก็ได้นะเช่นจิตใจเรามีความสุขก็รู้ทันจิตใจความสุขลดลงก็รู้ทันจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันความทุกข์หายไปก็รู้ทันจิตใจสงบก็รู้ทันจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันจิตใจโลภก็รู้ทันนะจิตใจไม่โลภแล้วหายโลภแล้วก็รู้ทันจิตใจโกรธขึ้นมาก็รู้ โกรธขึ้นมานิดนิ ด, นดหน่อยๆยก็ไหวๆนะถ้าโกรธแรงขึ้นมาก็ขึ้นมาครอบหน้าเลยขึ้นถึงหัวเลยเลือดเลือดขึ้นหัวเ ล, เลือดขึ้นหน้าเลยรนะี้โกรธแรงเนี่ยโกรธมากก็รู้นะโกรธน้อยก็รู้โกรธเบาก็รู้นะความโกรธหายไปก็รู้ค่อยรู้อย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเป็นเหมือนกันเพราะว่าความสุขความทุกข์นี่นคือเวทนาขันจิตเป็นคนรู้คือวิญญาณขันนี่แค่นี้ก็แยกขันได้แล้วหรือเห็นว่า รลบกรดหลงเกิดขึ้นมารบกรดหลงหายไปจิตเป็นคนดูอยู่แค่นี้ก็แยกขันได้แล้วนะโบกรดหลงมันเป็นสังขารขันเนี่ยหัดแยกไปด้วยนะที่อาาย์มหาบัวบอกแยกธาดแยกขันไม่เป็นอย่ามาอวดเราเรื่องเดินปัญญานะเพราะนั่นหัดแยกธาดแยกขันไปการแยกธาตแยกขันนี่เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยเรียกว่าน้ำรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกน้ำถ้ารูปนี้แยกร่างกายนี้แยกออกไปอีกนะจะเป็นธาต เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในอากาศสธาตนะิถ้าจิตใจเราแยกออกไป mm. ก็เป็น4ี่ขันเหมือนกันนะมีเวทนาขันความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉสัญญาขันความจําได้หมายรู้สังขารขันความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณขันความรับรู้คือจิตที่เกิดทักตาหูจมูกลิ้นกายใจมี4เหมือนกันรูปก็มีสี่นะก็มีธาตุดินน้ำไฟลมนะแต่ที่ตั้งของมันคืออากาศสธาติ สเปซนะอาการไม่ใช่แอร์นะเป็นสเปซนะนำมาทำก็แยกได้สี่สัญญาสังขารอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่หัดแยกไปได้เนะช่นโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเห็นเลยความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแค่นี้ก็แยกแล้วแยกแล้วมันได้อะไรแยกแล้วมันจะได้ปัญญาที่ลึกซึง้งจะเริ่มเห็นความจริงแล้ว แค่เรารู้สึกตัวใจตั้งมั่นแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันยิ้มร่างกายมันขยับเราก็จะรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราการเจริญปัญญาการทำํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อถอดถอ น, ถอนความเห็นผิดความเห็นผิดอันแรกก็คือมีตัวเราถ้าเรามาคอยดูกายจิตเป็นคนดูมันจะเห็นเลยกายกับจิตคนละอันกันร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เหมือนยาดมเนี่ยาดมเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรามารู้เข้าใครเห็นยาดมเป็นตัวเราบ้างมีไหมถ้ามีให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ได้เลยนะจิตแพทย์จะยิ้มเลยอาการอย่างนี้ใช้ได้ล้นะถ้าหากดูจิตใจต่อไปนะมีความสุขขึ้นมาก็รู้ทันจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปความสุขกับจิตใจเป็นคนละอันจิตเป็นแค่คนไปรู้ความสุข ความทุกข์เกิดขึ้นนะเรารู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตเป็นคนไปรู้ความทุกข์เข้านะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนไปรู้เข้ามันไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยเนี่ยเฝ้ารู้ซ้าแล้วซ้าอีกนะถ้าสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นกายไม่ใช่เราถ้าสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในกายในใจเนะี่ย นะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่จะเห็นว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่ ร, รัตติระลึกรู้เห็นกิเลสเกิดขึ้นมานะเห็นความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นมาก็จะรู้อีกนะความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เรานะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเฝ้ารู้เรื่อยกระทั่งตัวจิตใจจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ที่ตาจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ที่หูเดี๋ยวจิตก็รู้ที่ใจเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อ เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวก็หนีไปคิดคิดหลวงพ่อพูดประโยคสองประโยคพวกเราก็จํานะแล้วเอาไปคิดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาฟังใหม่แล้วก็ไปคิดฟังกับคิดสลับกันเรื่อยๆเคยเห็นไหมดูออกไหมตัวเนี้ยเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไปดูออกไหมเราฟังไปคิดไปมาตั้งแต่เล็กๆเลยพ่อแม่เราพูดกับเราตั้งแต่เราแ บ, บะเบานะเราก็ฟังไปคิดไปแต่เราไม่เคยเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิด เนี่ยถ้าเรามาหัดเจริญสตินะรู้ทันจิตใจเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็ดูโคนละอันกันจิตที่ฟังกับจิตที่คิดคนละอันกันเนี่ยเราเห็นจิตเกิดดับนะแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเด่อยสุดท้ายจะเห็นเลยจิตจะไปดูหรือจิตจะไปฟังหรือจิตไปคิดเราสั่งไม่ได้เราจะทดสอบต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะให้พวกเราอย่าคิดนะอย่าให้จิตไปคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วล่ะนะ เห็นไหมว่าจิตหนีไปคิดได้ถ้าไม่หนีไปคิดก็หนีไปเพ่งลมหายใจบางคนกลัวจะหนีไปคิดเข้าไปเพ่งเลยปึ๊ <laughs> จิตส่งออกนอกเหมือนกันจะส่งไปอยู่ที่ลมบ้างส่งไปอยู่ที่ท้องบ้างส่งไปอยู่ที่ว่างๆบ้างนะจิตเคลื่อนไปละนะเห็นไหมว่าบาังคับมันไม่ได้จริงเห็นไหมว่าจิตขนาดนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกหมรู้ลงไปที่ความรู้สึกสุขเห็นไมเปลี่ยนละ ความสุขค่อยลดระดับเป็นอุเบกขารู้สึกไหมถ้าคืนจ้องต่อไปจะกลายเป็นทุกข์ละเพราะเพ่งมากเครียดเครียดหั ด, ดดูของจริงไปได้ยนะหัดดูของจริงงั้นสรุปนะสรุปได้เวลาสมควรจะสรุปละหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองเรื่อยๆถ้ากิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันเราจะได้ศีลถ้าจิตไหลไปคิดเรารู้ทัน เราจะได้สมาธิหรือจิตไหลไปเพ่งเรารู้ทันก็จะได้สมาธิคือได้ความตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะเราก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ในกายในใจเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูก็จะเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจใจเราเป็นแค่คนดูเห็นว่ากําลังโกรธอยู่กําลังโลบอยู่นะ เฝ้าดูอย่างเมื่อกี้มีความสุขใช่ไหมดูไปเรื่อยๆความสุขก็หายไปนะใจเราเป็นแค่คนดูมันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศ ล, ศลไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยแล้วดูจิตดูใจบ่อยๆก็จเห็นจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้ลองสั่งซิว่าจงมีความสุขสั่งซิท้อแท้ใจเลย่ไหมใจท้อแท้ทาไม่ได้หรอ สั่งไม่ได้นะั่นแหะคือความจริงนะคือคําว่าอนัตตาแต่ว่าพวกเราที่ปฏิบัติธรรมเนะี่ยแทนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรากลับคิดว่าถ้าเราปฏิบัติสําเร็จแนละ้วมันจะเที่ยงมันจะเป็นสุขมันจะบังคับได้เนี่ยมันหลงผิดนะเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปทําของไม่เที่ยงให้เที่ยงยังจะทําความสุขความสุขเป็นของไม่เที่ยงแลยจะทําความสุขให้เที่ยงเป็นไปไม่ได้นะ หรือก็จะทําของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาจะให้ร่างกายมีแต่ความสุขล้นๆให้จิตมีแต่ความสุขล้นๆเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วคิดว่าถ้าฝึกดีแล้วเราจะบังคับตัวเองได้นั่นเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงพระอรหรันต์ไม่ใช่คนที่ทําของไม่เที่ยงให้เที่ยงไม่ใช่คนที่ทําของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขไม่ใช่คนทําของบังคับไม่ได้ให้บังคับได้แต่ท่านยอมรับความจริงว่า สรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี้มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านเห็นความไม่มีสาระแก่นสารแล้วท่านไม่ยึดถือต่างหากเพราะไม่ยึดถือนะนนอก็ไม่ทุกข์นะยังยึดอยู่ก็ทุกข์อยู่นั่นที่เรียนกันแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายมุ่ง ม, มาสู่ที่ถอดถอนความยึดถือของจิตยึดในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายในตัวในตนของเรานี่เองเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็หมดความยึดถือหมดความยึดถือเมื่อไรเกาเรียกว่าพระอรหันต์ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขนะแต่ความสุขอยู่ที่จิตอย่างเดียวที่ไก่เนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นเช่นเดียวกับที่พวกเราเป็นความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตเพราจิตเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้นันเป็นอิสระ นะรู้ตื่นเบิก บ, บานมีความสุขสติก็ไม่ต้องรักษานะสมาธิไม่ต้องทําจิตมีสมาธิมีสติอยู่แล้วปัญญาก็ไม่ต้องไปฝึกฝนอีกลนะมันรู้ความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาม่าดับทั้งสิ้นนะยึดถือไม่ได้ทั้งสิ้นนี่เราฝึกนะฝึกจนใจยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงก็คือคําว่าปัญญานั่นแหละนะใจของเราไม่ยอมรับความจริงเราถึงต้องทุกข์มากความจริงของร่างกายต้องแก่ ไม่อยากแก่ก็ทุกข์ความจริงของร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บก็ทุกข์ความจริงของร่างกายต้องตายไม่อยากตายก็ทุกข์ความจริงของจิตใจคือเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องประสบกับความผิดหวังเนี่ยเราปฏิเสธไม่ยอมรับนะต้องอยากเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดสิ่งที่ถูกใจตลอดไม่เจอสิ่งที่เลว้ๆเลยนะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไปปรารถนาของซึ่งมันไม่มีกันถึงได้ทุกข์แล้วทุกอีกนะ การทาจิตให้เรียนรู้ความจริงเข้าไปเรื่อยความจริงของกายของใจเรียนรู้ให้มากนะถึงวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงได้จิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปลนะพอไหวไหมความจริงถ้าชื่อวิธีแห่งจิตมันจะเป็นสับเฉพาะนะนี่หลวงพ่อไม่ได้เทศเรื่องวิธีจิตเอกวิธีจิตเจะเป็นเรื่องการที่จิตขึ้นรับอารมณ์นะจิตอยู่ในรวังนะเช่นเราหลับลึกๆอยู่นะมีเสียงมากระทบใจค่อยๆตื่นผุดขึ้นจากรวัง พูดขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่มาปลุกให้เราตื่นขึ้นนะไม่มีจิตดวงหนึ่งนี่เป็นตัวรู้ว่าโอ้อมีเสียงมาแล้วจิตที่ก็ออกไปรับเสียงไปฟังเสียงพ อ, อไปฟังเสียงปุ๊บยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรเันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีจิตอีกตัวหนึ่งอีกดวงหนึ่งมาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คืออะไร มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ดีหรือไม่ดีสุขหรือไม่สุขแล้วมีจิตอีกตัวนึงสเสวยอารมณ์เสพอารมณ์แล้เกิดสุขก็พอใจเกิดทุกข์ก็ไม่พอใจเสียงอย่างนี้ไม่พอใจเสียงภรรยาไม่พอใจเสียงแฟนนี่เพราะมันก็ไอคนเดิมนะแต่ว่ามันคนละเวลาความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้นะแล้วก็อขึ้นรับอารมณ์แล้วก็จิตลงผวาลตอนจะลงผวังาลก็เซฟข้อมูลเก็บ ลงผวางขจิตไว้ทั้งดีทั้งชัว่วเก็บข้อมูลไว้สะสมออกไปก็ลงผวังดับความรู้สึกนี่เรื่องของวิถีนะเวลาที่จะบรรลุมรรคผลก็มีวิถีของการเกิดมรรคผลนะเวลาจะตายก็มีวิถีของตายเวลาจะฝันก็มีเรื่องวิธีจิตของการฝันนะวิธีจิตก็มีเยอะแยะเลยนั่นะเป็นเรื่องของวิธีจิตจริงๆส่วนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเอาไว้ปฏิบัติจริงๆ ให้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญานะก็ได้วิมุตขึ้นมาลองฝึกดูนะไม่ยากหรอกถ้าใครว่ายากก็ไปฟังสีดีฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวก็ไม่ยากนะอ่ะละพอสมควรในลำดับต่อไปนะครับก็จะมีผู้ที่มีคำถาม <c oughs> หรือว่ามีกันบ้านที่จะรัศการถามพระอาจารย์นะครับก็ขออนุญาตเชิญท่านที่หนึ่ง เดี๋ยวบอกก่อนนะเวลาเราถามนะเพะื่อความ่งมงามเวลาเราอย่าไปรีเฟอร์อย่าไปอ้างนะว่าอาจารย์ที้สอนมาอย่างนี้หลวงพ่อว่ายังไรอย่างนี้อย่างนี้เสียมารยาทนะไม่งามหนูไปเรียนมาจากสำนักนี้หลวงพ่อว่ายังไรหลวงพ่อจะไม่ว่าด้วยนะงั้นไม่ต้องอ้างไม่ต้องอ้างเราพูดเรื่องปฏิบัติของเรานะว่ามาบดไหนล่ะกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะ ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาพากใหญ่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้การตามรู้กายกับตามรู้จิตในระหว่างวันส่วนใหญ่ก็ถ้ารู้กายเนี่ยก็จะรู้ทันบ้างค่ะแต่ว่าถ้าจิตเนี่ยจะรู้ไม่ค่อยทันรู้อะไรได้ออนนั้นทางไขรทางมันไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตเหมือนเหมือนละเลยที่จะรู้จิตค่ะเวลากิเลสเกิดรู้ไหม รู้ค่ะแต่ว่ามันจมอยู่นนเช่นถ้าโกรธเงค่ะก็จะรู้ว่าโกรธอยู่แต่ว่าก็คือมันแยกไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ อ, อะไรค่ะเพราะเราอยากหายโกรธไหมหรือเวลาโกรธเนี่ยเราไปมองคนที่เราโกรธค่ะเพราะอะไรอย่งางเราโกรธใครสักคนนะแล้วไปดูว่าไม่หายสักทีจริงๆถ้าเรามาดูที่จิตมันจะดับทันทีความโกรธเนี่ยก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ อะไรคือเหตุให้เกิดความโกรธอันแรกเลยเราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจอันที่สองเรามีอนุสัยนะมีความเคยชินที่จะโกรธมาก่อนอันที่สามมีการตรึกไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางไม่ดีสุดท้ยังโกรธใครสักคนแล้วก็คิดถึงเขาในทางร้ายเรื่อยๆแล้วบอกทำไมความโกรธไม่หายเพราะเหตุของความโกรธยังอยู่แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่ากาลังโกรธอยู่นะเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่เขาโกรธ เรื่องที่เขาทาให้เราโกรธความโกรธจะดับทันทีเลยเพราะเหตุของมันดับถ้าหนูยังคิดไม่เลิกนะก็ยังไม่หายโกรธหรอกให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดซะก็หายแล้วแต่ถ้าดูกายได้ดูกายไปเลยแต่ว่าการดูกายที่ถูกต้องต้องมีจิตเป็นคนดูกายกับจิตต้องแยกกันเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเราเป็นคนดูตัวนี้ยิ้มเราเป็นคนดูใจเป็นคนดูต้องฝึกอย่างนั้นนะไม่งั้นไปไหนไม่ได้ กล่าวขอบพระคุณค่ะกรับนมรสการหลวงพ่อค่ะก็พยายามรู้สึกตัวแล้วก็รู้กายรู้ใจมาสักพักหลายปีแล้วค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นความเปลี่ยนแปล ง, ป แ, ปลงแต่ตัวเองไม่ทราบว่าคืบหน้าไหมเพราะเวลาฟังซีดีที่มีคนส่งการบ้านนะคะตัวเองไม่มีลักษณะอย่า ง, งของเขาทํามันสิเวลาเราส่งนะคนอื่นเขาก็บอกโอ้เก่งจัเลยถามอะไรนะ่เราไม่รู้เรื่องเลย เวลาเขาส่งเราก็ไม่รู้เรื่องของเขาเหมือนกันทางใครทางมันเหมือนเราจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งนะภูเขาเนี่ยขึ้นได้รอบทิศ ท, ทางเลยนะฉะนั้นเวลาที่เราไต่เขาไปเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางอื่นมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราขึ้นยอดเขาได้นะหันไปรอบตัวนะมันเข้าใจไปหมดอนะงั้นตอนที่ยังปฏิบัติอยู่นะรู้เฉพาะของเรารพอแล้วฟังของคนอื่นไม่เข้าใจเราไม่ใช่เรื่องแปลกหลงยังขนาดนี้ลงไปคิดค่ะต้อลงไปคิดให้รู้ทันนะ คค่ะแล้วรนีใจอยากเห็นไหมอยากพูดให้รู้ทันเนี้ยรู้อย่างเนี้ยนะรู้ลงไปเรื่อยเรู้ไปสบายสบายเพ่งไปหรือเปล่าบางครั้งก็เพ่งอะขนานี้เพ่งไหมเป็นช่วงเอิดอัดถ้าอิดอัดจะเพ่งแน่นอนะก็ให้รู้ทันว่าเพ่งอยู่จะติดเพ่งไหมคะท่านตัวเองติดเพ่งหรือเปล่าฮะไม่ติดแล้ว บางทีบางรู้สึกเวลาฟังพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกต่มองแล้วก็จะเพ่งเพ่งมากค่ะเพ่งเรารู้ทันว่าเพ่งไม่ติด <ś c oughs> พวกที่ติดเพ่งคือพวกเพ่งแล้วไม่รู้ว่าเพ่งค่ะค่ะคุณเครียดไหมคนที่สามเนี่ยค่ะก็เครียดค่ะหลวงพ่อเครียดแล้วทำยังไงดีก็ดูว่ามันเครียดตรงไหนของ ตรงส่วนไหนของร่างกายอะคะแล้วก็ค่อยๆดูมันไปจนมันคลายไปเออย่างนั้นคลายกล้ามเนื้อไม่ใช่คลายจิตนี่ถ้าอย่างนั้นยังไงดีคะหลวงพ่อตื่นเต้นรู้สึกไหมตื่นเต้นค่ะใจไหวมากเลยค่ะตอนนี้แล้วไปบังคับมันรู้สึกไหมไปข่มมันไม่อยากให้มันตื่นเต้นค่ะมันถึงเครียดขึ้นมาตัวนี้ก็มีบ่อยเลยค่ะเราเป็นตัวที่มันอ่อนไหวอย่าไปเครียดอย่าไปข่มมัน ตื่นเต้นก็ให้มันตื่นเต้นไม่ว่ามันหรอกตื่นเต้นให้รู้ว่ากําลังตื่นเต้นอยู่ไม่ใช่ห้ามนะถ้าห้ามอะไจะเครียดให้รู้อย่างที่มันเป็นส่งกันบ้านมาหลวงพ่อก็ตรวจเกันบ้านลืมยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะค่ะก็ก็มีนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อก็จะนั่งเป็นประจำแล้วก็มีดูกายดูใจในชีวิตประจําวันค่ะก็นั่งอย่าไปนั่งแบบเครยงเครียดเกินนะนั่งบังคับแรงไป มันคับแรงเลยใช่ไหมเจ้าคะเออนั่งให้มันสบายสดชื่นให้สดชื่นเออคิดว่าถ้ามันถ้ามันนั่งแล้วมันแบบหนักๆอย่างเงี้ยทนไปแล้วมันจะแบบมันจะหายไปอะค่ะค่อยๆดูไปเลือกนั่งเมื่อไหร่หายเมื่อนั้นค่ะเคล็ดลับของการทำสมาธินะมันมีหนูต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่สบายใจ จิตที่มันไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านเนี่ยมันจิตที่ตะครุบอารมณ์โน้นทีตะครุบอารมณน์นี้ทีทําไมมันตะครุบอารมณ์โน้นทีนี้นทีเพราะมันหาความสุขคิดว่าวิ่งไปดูแล้วจะมีความสุขมันไม่มีนก็วิ่งไปฟังวิ่งไปฟังนึกว่าจะมีความสุขไม่มีนก็วิ่งไปจะทําอย่างอื่น <Okay. S 2> นั้นเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตอยู่อย่างถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วจิตใจมีความสุขเราก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมหายใจไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลาย จีจะสงบทันทีรวดเร็วเลยแต่ถ้าทำด้วยความรู้สึกเคร่งเครียดสงบจ้าง ก, ก็ไม่สงบหรอกเครียดตายเลยมันมีเคล็ดลับใช่ต้องทำให้มีความสุขค่ะก็เรา่างวันก็คือให้อยู่กับอารมณ์ที่สบายสบายไป<ต>ไม่ไม่สบาย<ป>แล้วโอละล่าไปเรื่อยๆนะไม่ได้นะเพลินๆไปนะค่ะก็เรื่องสมาธิก็ยังต้องปรับปรุงค่ะนึกออกไหม ตึงเครียดไปค่ะมัตึงเครียดแล้วสมาธิมันจะไม่เกิดค่ะ ข, ขอบคุณค่ะหลวงพ่อครับที่พานมาผมรัดเลยการปฏิบัติครับคือเนื่องจากที่หลวงพ่อเคยสอนให้ทาแล้วมันอืดอัดมากเลยครับก็ไม่ไม่รู้จะแก้อย่างไงครับจะไปแก้มันสิแค่เราไม่ทำมันก็ไม่อืดอัดแล้วถ้ามันอึดอัดแล้วจะไปหวังว่ามันจะหายนะมันไม่หาย การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองเราแค่เรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจแค่คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆก็ดูใจมันก็เปลี่ยนแปลงจิตร่างกายมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูไปสบายๆไม่อึดอัดอกแต่ถ้าคิดเอาจริงเอาจังตั้งอกตั้ง ใ, ใจแรงก็คือการคล้ายเป็นเหมือนกับที่ผมฟังในซีดีที่ของพ่อสอนนะครับ ที่ว่าหายใจเหมือนคนธรรมดาไม่เป็นนะครับอคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเราถ้างั้นอย่าไปหายใจมารู้อย่างอื่นแฟนหายใจจงใจอย่าปฏิบัติหายใจหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะากำหนดลมหายใจแป๊บเดียวเนื่ยนะใช่ครับเป็นอย่างนั้นครับงั้นไม่เหมาะเรารู้ลมหายใจเราไม่เหมาะเราก็าใช้กรรมาฐานอื่นกรรมาฐานมีเยอะแยะไปขอบพระคุณครับหลวงพ่อ เห็นไหมร่างกายมันส่งใหม่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะ ร, นรู้สึกไปรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนรู้สึกสบายๆเราไปชินน่ะพัดลมหายใจปุ๊บจะเพ่งแรงอึดัดแล้วก็เปลี่ยนกรรมฐานนี้ไม่หมอกรรมฐานมีตั้งเยอะแยะแค่สมถาก็มีตามตาราตั้ง40อย่างเยอะแยะ มีปรั ส, สนาก็มีทั้งสามแนวทางหลักใชสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันแต่และแนวทางก็มีวิธีเยอะแยะเลยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอย่างเงี้ยในสารพัดจะรทำได้เยอะแยะนรมาส ก, การครับเผมอยากสอบถามว่าในเมื่อเราตามรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยครับเราผมเห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นของไม่ใช่ของผมละอแล้วจะรู้ทราบได้ไงครับว่าสักกาสิทธิธ์เนี่ยขาดเมื่ อ, อไหร่ครับ โอ้ยังไม่ขาดหรอกมันมีกระบวนการนะกระบวนการที่จิตจะตัดสักยะทิฐิอริยมรรคเวลาจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตสัมมาสมาธิเพราะงั้นเราถึงต้องฝึกสัมมาสมาธิสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจิตต้องรวมลงที่จิตไม่ไปรวมลงที่ลมหายใจที่ท้องที่เท้านะคือมันจะเดินปัญญามาเป็นลําดับลาดับจนเข้าเป็นอุเบกขา อุเบกขาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าซื้อบื้ออยู่เฉยๆอุเบกขาตัวเนี้เกิดจากปัญญาเห็นความจริงเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวงั้นความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายกุศนะลอกนะุศ ล, ลเกิดขึ้นก็ไม่ยินดียินร้ายเป็นกลางกลางเพราะเห็นจริงเนี่ยตัวนี้เป็นประตูที่จะไปสู่อริยมรรค เมื่อจิตเราสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตจะไม่ไม่ดิน้นรนปรุงแต่งต่อนะในขณะนั้นนะสติจิตมันจะรวมลงที่จิตนะสติจ ะ, ะระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาะระลึกนะปัญญาก็จะรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นรู้ทันไตรลักษณ์ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาจะคิดพิจารณาใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่จิตนะ ศีลสมาธิปัญญาสติแล้วก็องค์มรรคทั้งหลายเนี่ยประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันนะจึงจะมีพลังนะจะล้างกิเลสได้จริงๆมันจะเห็นสภาวะภายในเนี่ยไหวๆอยู่สองสาขณะแต่มันไม่มีการสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่ไหวๆนั่นคืออะไรนะไม่มีการคิดไม่มีความเข้าไปหมายรู้อย่างนั้นจะหมายแต่ว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงสิ่งนี้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะหมายอย่างนี้แต่ไม่ใช่หมายว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คือโลภโกร โกรธหลงอะไรย่างี้ไม่มีนะจะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสองสามขณะถัดจากนั้นจิตจะวางการรู้สภาวะนะจะทวนเข้าหาจิตตัวนี้แหละที่ที่สมาธิแท้ๆจะเกิดสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคเท่านั้นนะตอนที่เรายังทํามิปัสนาอยู่แล้วบอกว่ามีสัมมาสมาธินี่พูดโดยอนุโลมจริงๆไม่ใช่สัมมาสมาธิเกิดในขณะที่เกิดสมาธิฏฐิสัมมาสังกประสามมาทั้งหลายเกิดพร้อมๆกัน ในขณะจิตเดียวกันขนาดนั้นตัละล้างกิเลสทวนเข้ามาตือจิตนั้นมันจะแหวกออกเลยนะแล้วอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกนะก็เกิดอริยผลสองสามขณะนะมีความสุขสองสามขณะโลพู ด, ดูเลยว่าจิตยิ้มนะสองสามขณนะแ้ก็ถอยออกมานะถอยออกมาปุ๊บจิตทวนกลับเข้าไปใหมไปทบทวนดูว่าเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรตายแล้วกิเลสอะไรยังไม่ตาย การออขอพวกคุณหลวงพ่อค่ะที่ช่วยชีย้แนวทางให้ลูกพ้นทุกค่ะออคือที่ลูกเคยปฏิบัตินะคะเมื่อตาเห็นลูกและจิตกระเพื่อม น, นะคะเช่นพอใจหรือไม่เออไม่ ไม่พอใจอะค่ะแล้วไม่คิดนึกปรุงแต่งต่อนะคะไม่นํามาพิจารณาต่อไม่วิาพากวิจารณ์หรือตัดสินต่อมองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอันนี้ลูกกระ<ข>ทาถูกหรือเปล่าคะเขาเป็นเองหรือว่าเราจงใจคือพอมันเกิดจิตกระเพื่อมปื๊ดมาหาลูกจะมีควารมรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับแล้วลูกก็เลยไม่คิดต่อไม่นึกต่อ อ, นนอันนี้เราคิดนํามันคิดเรียบร้อยแล้วว่านี่เกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไม่เอาไปคิดมันเลย นี่คิดเรียบร้อยแล้วง <Okay. S 1> ั้นเวลาที่สภาวะธรรมปรากฏขึ้นนะแล้วมันสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะแล้วเกิดขึ้นสักช่วงหนึ่งนะก็จะเข้าใจธรรมะค่ะลูกอยกจะถามว่าปัญญาเนี่ยค่ะในมีปัญญาสองอันเกิดจากการทำวิปัสสนาค่ะแล้วก็กดจากการทำ นั่งกรรมฐ า, านนะคะท่นี้ว่าทั้งทั้งปัญญาทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นโลกุตตรปัญญาหรือว่าโลกุตตรปัญญาต้องเป็นปัญญาวิปัสสนาเท่านั้นนะคะโลกุตตรปัญญาเป็นวิปัสสนาเท่านั้นเป็นปัญญาในวิปัสสนาะโลกุตตรปัญญาเนี่ยไม่ได้คิดนึกเอานะแต่เป็นความเข้าใจของจิตนะจิตมันเกิดความรู้ความเข้าใจว่าตัวเราไม่มีหรเนี่ยนะ ก, ก็ได้ปัญญาเบื้องต้น จิตเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะว่ากายนี้เป็นตัวทุกขนะ์หรือจิตมีความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะจิตมีความยึดในรูปเสียงกลิ่นรสฟทัพพะอะไรนะจิตจะทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งของพระนักขาเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เป็นปัญญาที่ตัดโลกพ้นโลกเลยนะเป็นขั้นขั้นไปแต่โลกุตตรปัญญา เป็นวิปัสสนานะต้องเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวพอดีลูกเคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งค่ะลูกตื่นขึ้นมาตีสองนะคะลูกก็จิตตั้งมั่นออดูกายแล้วก็ พอพอลูกเข้าห้องน้ําเสร็จจะกลับเข้าลมตัวลงนอนรู้สึกหนาวก็เลยหยิบเสื้อมาใส่ก็ไปดูจิตหาเห็นเป็นจิตส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นว่ากายมันหนาวจ้าค่ะแล้วก็ร้องไห้อะเหมือนแบบกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราค่ะแล้วลูกก็ดูจิตพอจิตมันตั้งมั่นความเสียใจมันก็ดับลงทันทีเลยค่ะดับลงต่อหน้าต่อตาค่ะแล้วพอเมื่อจิตเป็นกลางปุ๊บสติก็ลึกลู้สิ่งที่ความเสียใจนี้มันเพิ่งดับไปอะเจ้าค่ะนั่นแหละอย่างนั้นเรา เป็นตัญญาอยู่แล้วอันนี้แต่มันเพิ่งเกิดครั้งเดียวแล้วก็ไ ม, ไ, ไม่เกิด<ร>อีกเลยใช่ไ่มอยากให้เกิดนะถ้าอยากให้เกิดจะไม่เกิดอีกแล้วต้องไม่อยากหรอกมันเป็นเองอย่างทีแรกเห็นร่างกายเหมือนหนาวร่างกายเราผ้าห่มมาห่มนะกายกับจิตเป็นโคล่าอนกันพอกายกับจิตเป็นโคราอันนี้คือความจริงที่เราไปสัมผัสเข้าพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะว่าดูคระทีกสูตรทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนาศาสนาอื่นเลยนะ สามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรานะแต่มีแต่แต่ธรรมะในอริยวิไนนนี้นะถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราได้งั้นการที่เราเห็นในเบื้องต้นว่ากายไม่ใช่เรานี่เห็นถูกแล้วนะแต่ว่าเห็นแล้วยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้มันเสียดายมันอะไรอวรบางทีมันตกใจบางคนมันตกใจว่าร่างกายไม่ใช่เรานะใจก็กระเพิ่มหวั่นไหวขึ้นมาแล้วพอใจกระเพิ่มหวั่นไหวมีสติรู้ทันนะความหวั่นไหวก็ดับใช่หมจิตเป็นกลางเนี่ย ความวันไหวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราเห็นตัวนี้ก็เรียกว่าเจริญปัญญาอยู่การที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราก็เจริญปัญญาอยู่นะอันนึงเปเจริญปัญญาด้วยการดูกายอันนึงจเจริญปัญญาด้วยการเข้ามาดูจิตลูกขอคําถามสุดท้ายนะคะคือเวลาลูกนั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งอะคะ่ะมันจะเหมือ น, นอยู่ก้นเหวอะเออเป็น ร, ราลูกต้องดึงให้ ม, มันรู้สึกตัวไหมคะเวลาจิตจะรวมนะให้เข้ารวมไปให้เข้าพักไปให้เต็มที่แล้วเข้าขึ้นมาเอง เมดิ่งแล้วก็แบบว่าไม่ยอมเดินปัญญาค่ะไม่เดินตัวนั้นเป็นที่พักผ่อนก็ปล่อยเขาให้รู้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะให้เขาพักไปเรื่อยแต่อย่าให้ขาดสติค่ะยังมีสติอยู่เลยค่ะดีมากเมื่อทีจิตรวมลงไปจนโลกธาตุดับนะร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือจิตรู้ดวงเดียวนั่นดีที่สุดเลยนะแต่ว่าพอถอยออกมาปุ๊บจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราแะจะเห็นชัดเลย ลูกฟังมารู้สึก3ามเดือนอ่ะแล้วลูกก็ฟังแล้วก็ทําเลยค่ะอ๋อต้องอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ว่าผิดหรือถูกแล้วก็ทําแล้วก็มีข้อสงสัยทุกวันอ่ะสงสัยก็ฟังไปทําไปใช่สงสัยรู้ว่าสงสัยก็เห็นสงสัยเกิดแล้วก็ดับเราต้องการแค่นี้อย่างเห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่นนั้นดับเพราะฉะั้นถ้าความสงสัยเกิดรู้มันก็เห็นสงสัยดับแต่ถ้าระหว่างวันถ้าเกิดลูกไม่นั่งสมาธิมันจะเหมือนเออมันจะทําแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวมันไม่ยอมเดินปัญญาค่ะ กต้องมาดูกายนะร่างกายที่กาลังยิ้มร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราดูไปด้ว่อยใจอยู่ต่างหากนะมันจะดูได้ว่าจิตส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งแล<ช>้วก็ไม่เดินดต่ออย่างนี้ค่ะถูกไปให้มากมากกากขอพระคุณจ้าค่ะดีแต่จิตไม่ถึงฐานมั้งขณะนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงค่ะออให้รู้ทันนะอา<ค><ณ>จารย์คะขอเรียนถามนะคะเคยนั่งสมาธิแล้วก็ ม, ม่ น, น, นเออ้เคยนั่งสมาธิแล้วก็นั่งๆไปเนี่ยมันเห็นว่ามันมันเจ็บแต่ว่าใจเรามันนิ่งๆ น, นิ่งก็ดูไปเงี้ยให้ค่อยๆดูไปนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความเจ็บเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตที่เป็นคนดูเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่อยๆหัดแยกไปแล้วเวลานั่งๆเนี่ยสมมติว่าใจเราไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเราก็มาดูที่เขาสอนเรา ให้รู้ทันแล้วใจหนีไปนะอย่าไปบังคับเหมือนว่าห้ามหนีนะเอาแค่ว่าหนีแล้วให้รู้ทันให้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่อย่าบังคับนะบังคับเน่นๆแล้วแล้วมีบางครั้งที่มันยกใหม่บางครั้งที่นั่งๆั่งไปแล้วก็มันเหมือนกับว่าที่ที่ที่เข้าไปแล้วเหมือนใจมันนิ่งแล้วเหมือนเหมือนมีเหมือนมีองค์พระอยู่ในตัวเนี่ยมีอะไรนะเหมือนมีเหมือนกับมีพุทธรูปอยู่ในตัวเนี่ยค่ะก็ดูไปรู้ไปเฉยเิยนะ แต่เวลารู้สภาวะรู้นิมิตเนี่ยระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตเราถลําลงไปให้จิตเราอยู่ต่างหากเห็นพระพุทธรูปอยู่นี่จิตเราอยู่ต่างหากอย่าถลําเข้าไปในพระอย่าอย่าเข้าไปเห็นอะไรก็ได้นะแต่อย่าอินกาพระ้าจาร์ค่ะส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะในรอบหกเดือน ค่อนข้างเครียดท่าหลวงพ่อเครียดต้องงานหรือเครียดเพระภาวนาน่าจะทั้งสองอย่างเพราะว่าจริตตัวเองเป็นคนเครียดง่ายแล้วก็อยากทำอะไรก็ต้องทำให้ได้โอ้ไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าทำไม่ได้นะเรียกว่าเห็นอนัตตาก็อยากได้อุบายจากอาจารย์นะคะว่าคือคือรู้ว่า เป็น อ, อะไรให้รู้ทันนะรู้ทันโทสะที่แทรกเข้ามาในจิตเนืองเนือรู้ทันตัวนี้ไ ป, ไปเวลามันต้องการอย่างนี้นะไม่เป็นไปอย่างใจนะมันหงุดหงิดใจมันไม่แช่มชื่นใจให้รู้ทันไปนะกิเลสแทรกเข<อ>้ามาเราไม่รู้ทันเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านนะถ้าเรารู้ทันกิเลสตับนะใจก็สงบสบายขอบคุณค่ะ นะครับคงจะไม่ได้มีคําถามถามเพิ่มเติมนะอาจารย์ครับก็คงจะจะหมดคําถามเถยงต่า น, นี้นะครับมีเคล็ดลับนะถ้ายัางไม่หมดคําถามสงสัยให้รู้ว่าสงสัยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะที่เราหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพราะเราต้องการเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับงั้นถ้าสงสัยเกิดขึ้นเราหมดแต่คิดหาคําตอบแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าความสงสัยเกิดแล้วดับเถ้าเราไม่ได้เจริญปัญญา งั้นถ้าจิตสงสัยขึ้นมารู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นเห็นความสงสัยดับได้กำไรแล้วได้เจริญปัญญาแล้วถึงความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาอะไรนะไม่ได้เรียนแล้วได้อะไรมาไม่ได้เรียนแล้วเสียอะไรไปสิ่งที่ได้มาอันเดียวนะคือตัวสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกความรู้ถูกเข้าใจถูก งั้นถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาตอบเขาให้ได้นะว่าส ม, มาธิฏฐิงั้นที่เรามาหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะก็เพื่อพัฒนาให้เกิดส ม, มาธิฐิพาจิตให้ดูความจริงของกายของใจไปถ้ารู้ความจริงในเบื้องต้นก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่พระโสดาหเห็นอย่างนี้นะถ้าถึงขั้นพระอราหันต์ก็จะรู้ถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับจำแจ้งอยู่ทั้งวันเลยนะถ้าราลึกถึงเมื่อไหร่ เราลึกถึงพันิพาณเมื่อไหร่ก็สัมผัสกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับส่วนพวกเราเราังไม่มีเราก็ดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเรื่อยๆฝึกให้ได้ปัญญาให้สัมมาทิฏฐิพอสมควรแก่เวลาเชิญคุณเจเดศครั บ, นรบในช่วงท้ายขอเรียนเชิญครณผูช้ชมได้ถวายของที่ระลกแก่พระอาจารย์แล้วพระอาจารย์จะได้อธิบนาให้พรจา ก, กเราไปพร้อมๆกันนะครับ ใครจิตออกนอกบ้างทั้งห้องแหละมันดูส่งส่งมาที่คุณประชุมนึกไอส่งมาที่เนี่ยใจมันออกไปให้รู้ทันนะใจ่าตั้งมั่นขึ้นมาสำคัญนะจิตไม่ตั้งมั่นภาวานามไม่ได้จริงอย่าถาว่ารีวหาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวาเมวาอีโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุ สเปปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพีตีโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาอยุ่โกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปัจายิโนจตตาโรธรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพระลัง